ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูป ร, รม78ทับ2ถนนติวานนท์อำเภอปากเกร็ด จ, จังหวัดนนทบุรีเพชรพระอุมาเพชรพระอุมาบทประพันธ์ของพนมเทียนตอนไพรมหาการเคยตีพิมพ์เป็นตอนๆในนิตยสารรวมข่าวจักรวาลรายสัปดาห์